จิตชนิดนี้จึงไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากขันทาหน้าที่รู้ขันไปทำงานอยู่กับโลกรู้บัญญัติบ้างรู้ขันบ้างทำงานอยู่กับโลกแต่ไม่เกาะอะไรนะเรียกกิริยาเป็นมหากิริยาจิตจิตดวงนี้ไม่เกาะไม่เกี่ยวกับอะไรสบายมีความสุขอย่างนั้นแหละจิตส่งออกนอกไหมส่งออกถ้าพูดในสำนวนของนักปฏิบัตินะจิตพระอระหันต์ก็ยังส่งออกนอก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 ร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันรู้สึกอย่างนี้ไงถึงวางกายไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ถ้ารู้สึกว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตก็ยังดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์อยู่แต่เมื่อไรเห็นว่าทุกข์ล้นล้วนนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจิตจะวาง วางเองไม่ต้องเชิญให้วางวางเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าทำยังไงจะหลุดพ้นไม่มีใครทำจิตให้หลุดพ้นได้จิตเขาหลุดของเขาเองอย่าว่าแต่ทำให้จิตหลุดพ้นเลยแค่ทำจิตให้เกิดสติสักขณะหนึ่งยังทำไม่ได้เลยสติเกิดเองเพราะมีเหตุจิตหลุดพ้นเพราะอะไรเพราะมีปัญญาแจ่มแจ้งรู้ความจริงของกายของใจแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์และวางวางเอง